ท่านก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาเดินปัญญาจากนั้นองคหลวงปู่ก็ปฏิบัติตามแนวทำคำสอนของหลวงปู่มัน่นท่านยังงในมาเล่าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังสรุปแล้วคือท่านประทับใจในการแนะนำสั่งสอนหลวงปู่มัน่นถึงจะอยู่ด้วยองคหลวงปู่มัน่นไม่ได้นานแต่ว่าแนวความคิดหรือว่าแนวทางที่องคหลวงปู่มัน่นชี้นาชี้แนะ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 ในขณะ น, นี้ท่านก็เป็นรองสมเด็จถ้าว่าอยู่ในกรุงเทพก็คงจะขึ้นเป็นถึงขั้นสมเด็จได้พราะนเราอยู่ในชนบทก็ได้ขนาดนี้ไปว่าสูงสุดในชนบทเพราะฉะนั้นหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบโดยสม่ำเสมองามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็จุดท้าย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 อัตทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต้องใช้การบังคับเหมือนกับเด็กนะเด็กพวกเราเห็นัหมที่จะไปเรียนหนังสือวันใหม่ๆเห็นหมูพวกเพื่อนไปก็อยากจะไปกับหมู่เพื่อนพอวันที่สองพอไปไปเรียนนะ่ะกลับมานะไม่อยากจะไปนะงอแงไม่อยากจะหนีจากบ้านแต่พ่อแม่ทั้งหลายก็ต้อง ใ, ใช้กุศโลบาย บ, าบับงคับบังเอาอะไรล่อบงัง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 วิปัสสีท่านก็เห็นได้ยินเสียงเอ๊ไอหนุ่มคนนั้นมันประกาศเรื่องอะไรเรียกมันมาหาใช่ตอนนี้นก็เราไปหาเออเธอเธอเธอทำอะไรทางบุรุษนี้ก็บอกว่าข้าพระองค์ประกาศให้คนทำคุณงามความดีโอเธอทำอยังไงเดินไปกบพบเดินไปเออเอาเราจะให้มา้ า, มาให้หาม้าให้ตัวหนึ่งใส่พวงมาลัยคล้องคอใช่แล้กับประกาศเลยได้มา้าตัวหนึ่งเ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 เออเราจะตั้งชื่อว่ายังไงคนคนนี้พระพุทธองค์เสดดจมาพระองค์บ อ, บอกว่าเป็นได้ทั้งหมดจะว่าพราหมณ์ก็ใช่จะว่าสมณะก็ใช่ได้ทั้งหมดจะว่าบัณฑิตนักปราชญ์อะไรได้ทั้งหมดคือท่านได้เป็นพระหานแล้วจะตั้งชื่ออะไรที่สูงสงตั้งชื่อให้ได้ทั้งนั้นนี่แหละคือให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าว่าคารวาญาติโยมเนี่ย